แล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่มาลงพิการทกทานเนี่ยายาทโยมทายาทโดแ้วถ้าเทียนเนีเราไม่ได้มีอะไรใช้มากไปใช้มากกว่าเราจะฝึกความรู้สึกตัวแล้วก็ทดทวนกันแต่ละอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าของไทยภาคกลางวันเสาของอเมริกาอันนี้เป็นที่ว่าประจำว่าเดือน ไม่เดียวข้าวสาลีสาหร่ายที่ผ่านมาโควิดทําให้เกิดการนําเลือดหรว่มีส่วนนั้ที่มันเปิดมากขึ้นยาเดียวที่เขาคิดว่าจะต้องปลูกหรือว่าไม่มีวิธีดีต่ออะไรเยอะแยะและเข้าถึงในการสุขขดาดความรู้สึกตัวก็รามัแยกๆๆย้ายกันไปใช้บ้านเป็นที่ปฏิบัติเมรามีผูท้ที่มีแนวคิดเดียวกันเราไปรวมตัวกัน เราไทยสุดท้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อตรวจสอบอารมณ์ทบทวนวมาเดินทางผูกหรือเดินทางผิดเดินช้าเสียเวลาหลงไปอยู่ตรงไหนไม่ให้ครูอาจารย์นะเป็นคนที่ชี้นําท่าศรานนะมีความเชื่อในครูอาจารย์เมื่อท่านตาเราผูกแลท่านรู้ทางจริงเราจะม า, มาทิศทางเราว่าไม่เสียเวลาเวลาเราอไปเมื่อกี้มาพายในวันใคร ส่วนตอนนี้อ็ันวันถอยหลังแล้วพรุ่งนี้วันกระถิ่นก็ลุงตาที่นั่งอยู่ข้างก็วันที่แปดเทเลทางไปเมืองไทยไปรรับผหลังมันค่าต่างชาติตอนนี้เมืองไทยเสน่ห์แรงเมื้อหอทุกคนมามุ่งไปเกียวความสุขด้วยไงที่เขาเเมืองไทยมีความสุขมีคนบริการมีอาหารอร่อย มีว่าทำอะพีเนียดีงามแล้วก็มีแสงแดดที่สำคัญพวกไม่มีแดดก็รู้แดงบัเรากลัวแดดกรัวตัวดําวลาขับรถใส่แดดคนไทยใส่หมวกใส่แว่นการลมทา ค, ครีมกลัวผิวสีน่าสว่ารตามความเชื่อตัวหนึน่งตเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องความรู้สึกกลัวเรื่องการเจรอสติท คามเชื่อแบบชัดเจนเลยจะสุขจะทุกข์จะตกที่ร้อนที่เย็นที่ละที่แจ้งจดอารมณ์อะไรก็ยังมีความรู้สึกตัวเราไม่ดีายคนทุกข์แต่เราไม่ต้องทุกกันะเรารู้สึกตัวขอเราไปใ น, น, นเรื่องส่วนตัว์มีเกี่ยวอะไรกับใเราโดสมมุติเป็ น, รร อ, มมนอยักเต็มโลกนะสมมุติเป็นหยักเต็มเดี๋ยวดีเดี๋ไม่ดีจราบหมอกแหวงในเรื่องสมมุติอยากเยอะไอ้ขอวเราอะเป็นอะไรก็เป็นไปแต่เรารู้สึกตัว อะไรที่มันดีงามมันพามันดึงดูดีแล้วปกป้องชอบธรรมเราใจเสมอๆวามดีได้วามดีในใจเรานไนี่มันไม่เกี่ยวกับหนึ่งเก่วกาเราควางได้อารมณ์ไม่ตกค้ายเราเลยไงค้ายหลับให้กันหลุดแล้วหลุดแล้รือาณที่ไปเชิญอารมณ์ก็ไม่กระทบอยู่กับสิ่งนั้นแตะว่าไม่เข้าไปซึมเข้าไปในใจเราไม่เป็นโรคไม่โง่ไมว่าไม่ขึ้นไม่ลง ตัวนั้นแหะมันไม่เกี่ยวว่าใครตาเอารู้สึกตัวเอานะนี่เราก็เดินกันไปจนเนินอ่ะพอเบิต้นเราประมาณหกโมงสิบนาทีหลังส่วนอนเอากนไป่ายทั้งโมงของชั่วโมงอะเต็มที่ไปเลยมีอยู่เมื่อวันเน่นะถ้าเล่าให้วันเมื่อวานเนี่ยาานนอันนี้คือนการส่งข่าวว่าอยากทำเกียรติรัชย์เยยอม เขาบอกเป็นบัดนสอง่โมงเนี่ยเมื่อวานเขารอให้จาจาร์นวัดพาสดมนต์อาจารย์ก็ไม่เข้าแล้วพอจะมีเรามีเราที่นี่ต้องการมาเามาเกิดก็ไม่เข้าไเหมือนกันจนพวกเราตือบอกว่าอาจารย์จะเข้าไหมแันไหนหรแน่มงเนี่ยเก็ไม่เข้าแล้วแต่เห็นพวกเราอยู่รพวกเราอยู่อ่นนะ ก็เลยปองนั่งกุยกันแบบจำใจอ่ะของชัวโมงเตะขอบคนณเาบอกว่าล้วงไปเลยเนี่ยเจอไปสองชั่วโมงเนี่ยร่งไปเลยอ่ะรู้สึกตัวล่วงไปเลยเออเที่พูดคือคนมีความรู้เลยนะเรว่าเครียดมาสะสมเรื่องงานเรื่องการเยอะแยะไปหมดแต่ท้ายก็คือ เจอความรู้ตัวที่ไปเองห่างเกิดไปสองชั่วโมงติดแล้วมีอาการที่ว่าความคิดมันหายไปพออยู่ความรู้ตัวนั้นสติตมันตื่นร้้ไหมเห็นไหมการที่เราปฏิบัติก็ได้มีการเรียกว่าอยู่ปุปบันที่กายสักระยะหนึ่งมันจะวางอดีตอนาคตอะไรอยู่หรอกวาก่าเป็นจริงอยู่กับตัวเองเราอย่างไง มันเป็นวิชาชีวิตที่บอกแล้วพ่อแ ม, ม, ไมอ่ไม่สอนครูหม่สอนโรงเรียนก็ไม่สอนขนาดไหนไหนก็ไม่มีสอนพระกาไม่สอนอา้าวไปเจอหลว่อเขียนหลวงปู่เขียนสอนเรื่องนี้ไปตรงว่าเราประสาทชาเลยไม่ประสาทชาได้ไงเรามีคว า, ามเริาามใสเราเห็นลักษณะของ ความจริงมันเกิดในตัวเราในใจเราโดยที่มันตอบตัวเอ ง, นะน ง, ง, ง เ, อเนี่ยในทยังไงอบไรเนี่ยก็ใช้ชีพไปไปถามคนเดินเขาเดินตอบให้เขอื่นพาทาแเราไปทางเอาเองเี้ยทั้งทีต้องใช้มันตลอดใช้กายใช้วาจาใช้ใจอะไรบ่างกายวาจาใจมันก็มีเรื่องที่เราจะต้องเรียกว่ารู้จักชัด มีบางคนโบราบอกรักษาสามปลายหายสามโทษเจดียนันรักษาสามปลายหายสามโทษเดิน ป, ปลายปลายปลายวาจาปลายจิตใจมาควมจิตได้วาจาละโง่ได้มาควบจิตได้ปลายา ก, ก็ใช้เนพฤติกรรมที่ไม่สุขเสียจเป็นบุญเป็นกุศลนั่ ในการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบีเบีนผู้อื่นไปมันเป็นแบบนั้เราก็จึงเนี่ยมาทบทวนกันนาทีละครั้ะหลังจากปฏิบัติเองนอกรูปแบบบ้างในรูปแบบนั้นงบางคนก็ปฏิบัติกันในรูปแบบทุกวันวันละชั่วโมงวันละห้นาทีสิบนาทีกัทุกวันก็เห็นแล้วก็มีประโยชน์มันก็ต่อยอดขยิบไปทํางานอย่ารู้สึกตัว จะกินจะสับไทยมีความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวแล้วรู้กายรูใจจนเห็นเป็นรูปนามธรรมห้าเละ ร, รูกธรรมนามธรรมเออมันต้องโยงสัิอยู่ในโลกแบบเทอดใจอยู่ในโลกแบบยึดจยดอยู่ในโลกแบบไม่ต้องยึดติดอันนั้นเป็นผลนนจากการพึกบ่อยๆใช่ไหมเป็นผลจากการทาเป็น ฝึกเพื่อทำเป็นพอเป็นแล้วก็ผ่านอารมณ์ว่ผ่านอารมมันก็ํานันเกิดสกินเกิดทักษะมีเทคนิคมีทักษะมันก็เรียกว่าทําให้โลมนี่มันรู้สึกว่าอยู่โดยไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นประจัยโลกทำมีโลกทำมีอารคณ์เ โลคมีโรคที่เป็นความกว้างขวางเขาบอกขยายไปถึงระบบสุญญากาศวานคือประมาณไม่ได้เลยโ ล, โลกเนี่ยรวมเป็นดาวดวงหนึ่งที่อยู่ในระบบสุยญากาตะวานนะจนนี้ถ้ามนะันประมาณไม่ได้แล้วแบบเป็นอนัตตาเลยไม่รู้ตรงไหนคือขอบเขตของจักรวาลจนถ้าเป็นคนพบว่ตัวนี้ขอบเขต จ, กจกรรักรวาลแล้วจักรวาลไม่มีหนึ่งแก้วอีกแล้วแบบนั้นเรื่องนอกตัวกายใ น, นเรื่องวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องหนังใจตายไปเลยแต่นันแหละมันจะเป็วามเป็นจริงหลักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์มันก็ชัดเจนหมืนการพุทสุผล ว, ว, ว่าอะไรมีโลกมีกมดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก่อนเคยมีอะไรล่ะดาวพุทโต้หรืออะไรตัดออกนอกรนะบบเลยว่าไหมมันเหลือกันอะไรนะวีสัตย แสงสีเสียงใจเร า, นาหน้าตาเราโหวกควาำหวามมาังว่าเรื่องราวแปดเปิสีพัดธระทขันน่ะใส่ไได้หมดเยอะแยะหมดไม่ประมาณเรื่องกายเรือวาจาเรื่องาาิตใจแปดเปสดตีพระธรรมขันมีการแ บ, บ่งมาชัเจนเป็นไตรวีดอสสังพิตรไตรอษาสัมตักกาพิตรพ่ดบวาตะกกา ใส่ถ้ก้าไว้สัมถะก้าเลยไป้ศึกษาเนาะอยากดูแลถามผู้คิดถามอเล็กถามปูกเกื่อนถามอะไรถามอะไรไปผมจะตอบไนดะ้ลอยข้งมาตอบไม่กี่อยข้างสามคนมันจะตอบแบบพลิกไปพลิกมาตามอารมณ์ตามความรู้แต่ละขนาะดมีรู้แต่แต่ความษษรู้สึกตัวนี่กลับมาเมื่อไหร่เป็นตัวเดิมนะความษษรู้สึกตัวกลับมา เกินไหวรู้สึกคิดก็ปกติเหมือนเดิมให้สังเกตให้ดีมันจะยังไงยังไงก็ตามชีวิตจะรลดร่วโปวดหลงจะสุขจะทุกข์มีตัวปกติเราถึงทุกข์ใจเ็ามีทุกข์เอ๊วันไหนก็ถึงปอดหัวใจละแง่วันทุกข์มาเป็นทุกข์เหรอไหม ความทุกข์ของคนอื่นไปเป็นความทุกข์ในใจเราเนี้ยเป็นตัวหรือเห็นเหตุการณ์ที่มี็นความทุกเยอะแยะไปหมดนี่ยน้าสกสารนาเมตตาแต่ใจเราไม่เป็นความทุกแต่ทําหน้าที่อย่างนี้เป็นตัวใอยู่ๆไปทํำนะต้องเข้ากับหน้าที่ให้ดีถึงไปทําอันนี้ แต่ถ้าเราไม่ชอบเพงได้อยากทำก็ทำไปเราไป่ชอบเพลงเขาก็ผิดก็ผิดขดองเขาแหละรับโทษไปก็ไม่เป็นไรใจเราไม่ทุกก็ ไ, ได้ทําผิดให้กินข้าวนี่ยรก็ต้องหิวจะทําทผิดไปแล้วให้กินข้าวนี่แต่หิวแล้วไม่ทุกข์ความไม่ใจเลยไหม <c oughs> คนแข่งกรรมีว่ากรรมเป็นหลักสตุตรของโลก ของคนถือเป็นแบบหรือของธรรมชาตินั่นเองเช่นยังไงของธรรมชาติก็เรากดบาสเกตบอลไปแรงก็ไหลมันก็แห่งใส่เราสูงเท่านั้นหลทางการทของแองเนี่ยนะยกตัวอย่างในเรื่องธรรมชาติผลธรรมชาติเราไม่ด่าแล้วเนี่ยจะทำาไงลรา้ก็ด่ากลับเลแล้วก็รยิงกงเลย บบกฎแรงงานไ ป, ไป็นเรื่อป็นเืองนี่กันี่มีเถากุญแยมีเถากุญแยเราไม่ให้ก็ได้ตามตามเก็บตามร่างนะตอนนี้เห็นไมพบตารวจก็ตามร่างแหลกอะไาพวกทผิดกฎหมายได้เงินที่เยอะๆดีกว่าร่างแบบ น, นั้นไปลอยร่างไันร้างไปกรอบเป็นการเข้ารัฐบาลเอาทำเลยผิดสมมติบาอย่างเยอะยะหมดเลย นั้นให้เราเข้าใจเลยเข้าใจในสิ่งที่มันจะต้อมเกี่ยวข้องกับลราต่อไปแนวรทุก เ, เป็นทุกข์นะในเความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะเยอะแยะเลหมดความไม่เที่ยงเช่ น, นะนเมือมม่อี้หมอโภสตัตกก็บอกว่าเวลาที่นี่มันจะสับปริมจโนะโผง่ไหมปรุงแน่ว่าแต่ความไม่ปิดนะนจะรับพีปริมจโนะโผง สมมติเปลี่ยนไปบางคนตื่นไปทางานไม่ทันลืมไปว่าเปลี่ยนเวลาเป็นได้ไมอยังเป็นได้หรือก็คนว่ามันเปลี่ยนยังไงเวลาโออะไรเนี้ย่อไเราต้องปรับตัวบางทีเจ็ดแหลกแน่อยู่ไทยมาอเมริกาอยู่อเมริกา ไ, ไทยเนี่ยเวลาตรงข้ามนะกันกวันนางคือเลยมานเจ็ดแหลกเลยกันเนี่ยการของนไอ้พวกนี้เราแม่มเราจะปลี่ยนความทุกก็ปรับปมันจะยายไม่ไหรคนนั้นเดือดร้เอง ป่วยแล้วแล้วกันจะหายไปไหประชางมันเดี๋ยวอนนีหมอมาดูอ่ะดูตามไปดูอ่ะเดี๋ยวมอยาหา้ตามผลทำแม่หมก็ตายือว่าหมายก็ทำใจลอยไปเลยเนี่ผลวิธีคิดแบบนั้นให้เราอยู่ตัวเองก็เออไม่ไม่ไมมีปัญหาแนวความทุกข์เองความทุกข์แนวความไม่เที่ยวเอความทุกข์ไม่เอาความไม่ใช่ตัวตนอะไความทุกข์เพราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตัวสังขารังารไม่ใช่ตัวตนปรุงแต่งหมดเลย เนี่ยทีแรกมันงงที่ในเมรุเยอะเลือกเกิดพวกับพวกะงงจริงจริงวัดเรามีเยอะมากเลยในที่สุปรตะในรของก็พิจิวนะแต่ทีเนี้ยที่ที่วัดไม่ไดงงอะเพราะพระ่าพร่าเด็กคนมาถวายเด็กคนก็ถวายเต็มไปหมดเลยแต่ทีเนียมันหลากสีมากเยสีมัจะแทนสีมากตสีเขียวประวนสีกาแก่นขนุนั่นแยกะหวเนี่ย วันนี้มีคนก็ถามเนี่ยอยู่ๆมีคนก็มานั่นสนทนาเลยเชืเ่อไอ้คนอีกคนเป็นหมอไอ้คนเป็นเมียหมอเป็นพยาบาลไปเห็นผมเล่นพาใส่สีแนะเนบสีนซะึ่งถ้าที่นี่มีใส่สีพระราช า, า น, นะมีสีเหลืองๆนี่ยนะสีพระาชาจะสีหมกักสูตรพระธารมกายทำไมถ้ายต้องใส่ต่างสี น, นี้กันด้วยเขาอ่านไะห มา่ครั้งที่เราจะตอบดีไปตอบดีหลวงตาแกก็ให้กระซ้อมีสวดกระถิ่นนี่เนี่หลวงตาที่เมื่อกี้นั่งอย่แกจะยกอัศวินเนี่ ย, ย, ย, ยให้พระลบเรียบรับในสารชแกหนเอยนะแกอยู่ไหนไม่รู้ชนทางฟันได้ไหมแกบอกแห่ธรรมทานละสมควรในการละมาบอกเกยมาเป็นเพียงพระอาสานตุกตักมาเยือนเดี๋ยวก็กลับไปแล้วเมราะนั้นฟันมดงามมาให้เจ้าวาไปให้พระเพ่เงพระเพ่งก็ไม่หา ไม่เอา้าเจ้าวาหเลยทัองวรวทำให้มดงามขึ้นมาจะได้อยู่ที่นี่รถไยต่อไปแล้วพูดแบบโตไฟรงมาไม่พอดเสื้อชูยกย่อมขึ้นมาวันกะเิ็นให้พระเป็นใหญ่แต่พระ่ันต้องไปพูดไวเรื่องยอมให้ยอมมาทานเรื่องยอมเรื่องยอมก็คุยก็ให้แง่ที่มุมองแต่จะทามาทานใจไม่ไหวแต่เคยทำมานี้อยู่แบบนานๆสวรรา์ไปวัดมีท่านทำยุทธท่านมหาิกา เวลาไปบตกลงกันเจอการคล้นทางหรือว่าจะาลักษณะไหนเพรา ะ, ะว่าแต่ว่าก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักทางมันมีหลักการมีรวิธีการพิธีการมีเท่าหลักมาใช้ก็เลยพูดคุยกันส่วนต้นตาลกันก็รัรียนต้องอุปกรณ์กระปิบแกให้มาซ่อว่าอุปกโณ์กระปิบน่นต้องไปซับซ้อมไปซับซ้อมก็เนี้นว่า ถ้าไปซ้อมเนี่ยถ้าเป็นสุกต่อซ้อมมาเป็นเดือนๆุกเดือนเลนะ้วพร้อมมาทุกวันการให้สีให้พอว่าจะเห็นนี่นไม่เหมือนปกติถ้าไปซ้อมต่อเท่ากันไม่ได้อยู่แนละ้วมันพลตตไงแกถามว่ า, าทักไมหลากสีต่อว่างานเลยนะตอบว่าไีเยอะต่อมาเนี่ยเอ๊ล้มตาัน้าเกีดทาไมทัใส่สีไม่เหมือนกัน ถามถามสักตากิจอะไรนักตกิว่าทาไมพาใส่สีไม่เหมือนกัน ยังไงก็ไปอีกน ta, ั้นลยปรตชอบถามหุณตานิคมนี่เทปเตอร์เนี่ยโดยได้ต่าว่าไงไหนนะหลวงตาตอบตอนเปนแถึงมีหลังสีไม่เหมือนกันหลวงตานบว่าเพราะเพราะเพราะว่า ในสมัยนั้นคุณหมอเขาเอาอชอบกรดิ่ง ป, ปามีหลากหลายสีเขามาถวายกันเลยมีสีป า, ากกันอาตมานี่ขาต้องสีหลวพ่อไหลจีวันครับมีจีวันเขาหลวพ่อจีวันใหม่จีวันเขาเดี๋ยวนี้ต้องจีวันหลวกว่าไหลหลวอักหว่านี่นล ห, ลหลวพ่อบญุหว่ร ไม่ได้สืออเค้กเพิ่มมาทำ้แกระิ่น็ไม่เอ็งอะรนะเพจะได้รับจึงลักไว้สีที่นี่รักหล้สีรวมกนมาทัา้งคนที่ถามนีชื่อชื่ อ, อนนมาลีจะคนายมาลีแล่ไหมนี่ห ม, มอตาเถียนหมอตาเถียนหมอผหมอสัแพทย์อยู่ๆแกก็าถามว่าแูบตายแกก็เรียกมาว่าให้มา ส่วนกระถิ่นไอ้เราก็เออยังไม่ได้พอบพอดีท่านยิงไท้ายว่ะคุยกันได้เสร็จแล้วได้ตามก็คุยให้เสร็จอะไรคำตอบนะผมใจใครแบบแล้วรอองลองตอบให้คนลองตอบในใจทำไมป้าใส่สีสันแต่ส่วนตัวก็ไม่เคยเห็นรถแท็ก้ี่สองพันตัวพี่เขาใส่สีอะไรส่วนตัวนะ แต่มองดูว่าสีที่แตกต่างไปที่เมืองไทยอ่ะทั้งธรรมยุธทธ์ตัณหาอนิกายทั้งพบ้านและพระป่าทั้งสำแนักแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะเอาจุดขายจุดเด่นของตัวเองถ้าป่าถ้าเลื้งง่ายเนี่ยผ้าเลื้งง่ายก็เป็นเขียวบอบนอยู่อะไรบไม้กับใบมะม่วงมาย้อมย้อมได้ใบมะม่วงออกสีเขียว ยอมแค่แก่นขนุนก็จะออกสีนี่จากแก่นขนุนทออกมาอีกสีเนี่ยครับแผ่นบอลบอลอะไรพวกสารพัดเลยส่วนสีมารสุกเนี่ยถ้าไปเห็นธรรมกายก็ใส่แขนเยอะแยะไหมดเลยแล้วก็สีผาเตื้อเนี่ยน้ำตาลดำเลยคือขั้นดำเล ย, เลยพระพมา่านี่ไปอีกสีนึงอีนี่ญี่ปุ่นก็ไปอีกสีเนออกเทาเทาฟ้าอย่างเงี้ย แต่ก่างไป ม, มากมายแต่แยกแต่ตอนหลังในพระป่าก็เป็นสีหนึ่งดูเป็นสีธรรมเวสีขังสีดูแน่กลัวแน่เกงขังแน่ขอลบแล้วชอบไปทะเลาะกับพระบ้านนะกูขังพระบ้านในสํารวมไม่รไมเรียก ว, ว่าปฏิบัติไม่ได้พระปฏิบัติสีนั้นไม่เป็นว่าในรลวงมีทะเลาะกันจับมาเป็นสีกลางเอาสีมาผสมจะได้สีพระราชทาน เรียกสีถ um, mm. uh, ้าไม่โนรับกันเนี่ยถ้าใครใส่สีการยมาเป็นสีที่ในหลวงก็เลยจะทานคือเอาบาราบีของเขามาเพื่อที่จะให้เราไม่ตโดนรับกันเราควรใช้สีอะไรจะโหมแบบไหนแฮมมอนต์ถ้าโหมดองก็ไม่ได้ทั่วโลกถ้าโหมเฉียงมาก็อยู่ในวัดถ้าโหมคลุงก็เดินออกนอกบ้านได้แฮมมอนต์ก็จะมีกําหนดของเขผมไม่อยากอ้าวแล้วที่เกี่ยวข้องแบบเรื่องอนัตตายไงก็ดี่ไงคือการปรุงแต่ง มะม่วงเกิดที่อินเดียลงมาปลูที่บังไทยเนี่ยคนละรสชาติกันเราไปปลูขี่ประเทศไหนรสชาติจะเป็นบอกบอกประเทศนั้นมันเป็นรสชาติแบบนั้นคือแร่ทาตไม่เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ไอซิมานเดชโดยที่มาแต่อย่างงี้กนนะั้นมีทางนัะควรจะใส่ขนสัตว์ขนแกะขนแพะขนอูดขนอะไรวางแบบหลอูดแล้วแต่หรืออาจารย์มาเลหรื อ, มรอไม่รู้เยอะแยะไหมด เพราะนั้นเราไม่เอาเรื่องลักษณะของาการปรุงแตงงรรงงงยย่งสังขารมาทะเลาะเนี่ยแยกะแ้ะหมดเลยเป็นสมุดประจักษ์กายยสังขารที่มีกิจตัดสังขารนั่นเองวจีสังขารมาจากกิจตัดสังขารอย่นี้เป็นต้นเป็นการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นในแมไม่ได้คำพูดเลยกนะ็ปรุงแต่งเนะี่ยที่สวดมนต์วนันนี้ก็ต้อปรุงแต่งเนะี่ยความความหมาย้ทําความเข้าใจ แต่ทะลุปปูก ป, ปอกได้ร่องเรียกว่าทำความเขาใจจนลึกซึ้งนลยเรียนรู้จนชำนาญจนลึกซึ้งเมื่อกี้มันมาสวดมนต์น่ะเช่าไหอ่นังสื่อตามันก็ไม่อยากมองนะอนี่ยตาเดี๋ยวนี้เสียไปแล้วพูกวอกพูกวอกสมองก็ไม่อยากคิดตามนะตัวหนังสืออน่ลยว่าการด้ถึงปีหนึ่งเนงี่ย <c oughs> ว่าแค่หนึ่งครั้งแล้วยี่สิบ ป, ปีนะที่ห้าปี ไปสวดกระถิ่ที่เป็นผูส้สวดตอนภาษาใหม่ๆตอนยังหนุ่มๆอยู่ความจําดีมากการพูดการจานี่ก็ตัวทาตาดีหูก็ดีมันไปด้วยการมาลิงก์กันแ บ, บบรึแต่เมืกี่เรานั่สนสวดโอ้ลิ้นพันเลยเลยเสียงเสริมมันก็ไม่ใช่เมื่อก่อนสวดมนนะั้น <c oughs> ใช้การสวดมนนะั้นเพื่อให้ยอมอเกิดไปลงพูลขึ้นใหม่ เสียงนี่จะเป็นเสียงที่เราใช้ยอมเกิดกำลังใจมาอะังสมาย่าเงี้ลากยาวเสียง้องเข้าไปสพโธผัสะวาเวาสุที่ยอมมาติเติร์เดี๋ยวนี้นั่มาสุทโธผัะวาเสียงแบบจะแทบห่างเลยเรียกว่าเอาความหมายของหนังสือเอามาเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติเปเป็นตัวปัญญาหรือเกี่ยวข้องยังไงกัน ทุกขังนิจันนาทุกสิ่งอย่างไม่ใช่ตัวตนการคุแต่งไม่ใช่ ต, ตัวกนเพแม่แปเปลี่ยนแมเอือ น, นิจันตลอดเไเพราะนันมม้นต่อให้เด็กสาวก็ไ่ท้ายสุดกรือ ม, มนหมด น, นั่นแหละยิกรออายุแปดสิบเก้าสิปส่วนคนได้แต่สมัยมนกนมาได้กเนอ่างนี้เาเราเข้าใจแล้วเป็นเมื่อก่อนทายมากเลมานั่งส่วนไปได้อยู่เลยก็ก้าเก็บไอ้โหขนาดยี่สิบวนสาไม่ได้ ก็เคยจำได้อยู่เนี่ยขอโทษนะหลวพอนะวัแรกมาเรามาในฐานะที่พระผู้ใหญ่เนี่ยทรงยกประายอยในประทายอยหรือตอนนั้นอะไรใช้เออเรีเรมา เ, นะเนีนะตอวัยอาารสัพพาราชันะวัตโนกันเต๋หอหลพอก็จำไม่ได้พ่อก็ใช้การพูดไปเลยเฉยใสไปเลยอย่างนี้เราก็รู้แล้วเป็นเรื่องความไม่ี่ความไม่ใช่ตัวตน ก็เมองหลวงพ่อรูปนี้อยู่ที่นี่ได้แน่นอน้าถาใดให้ใคบพูดแบบไม่ใช่ตัวตเลยแล้วก็ไหเรื่อยอย่างเงี้ยก็มองนั่นนี่คือเรามองแบบให้ก่อนโปร่งแล้วงว า, งร า, างงนรกเนี้ก็เลยปรึกษากัท่านให้ขอมม้อมลว่าถ้าคนจะสนานงานที่อยู่ต่างประเทศนะไม่่อเมริกาแบบนี้ก็ควร ม, มีหลักการเดิมที่เราอยู่กับประเทศไทยนะสามคนให้หลวงพ่อรับรถินนินะงานงานใครมาเราให้ น, น, นาังงานที่สุด แล้วท่านอยู่ที่นี่ต่อไปส่วนผมเรีอนมาเมาก็ฝับไปแล้วกิ้งแกเปี่ยนอดีตความสรงจำไม่ยึดเะอยู่ซ้ายอยู่ขวาขนาดเหมือนโบราณสารีบุตรเรียกว่ามือซ้ายมือขวอาเลยไงไปไหนจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องมีเป็นแข่งเป็นขาควรเป็นแค่งเป็นขาไปอยู่วัดเดียวเรียนเรื่อวันนห้นนั่อยู่วัดนี้วนันนี้เราต้องมา่อดนะ ท, ะท่านเดียวเราเป็นคนประโลมิลปาน ท, ที่อื่นมาเป็นแค่กัรุ ป, ป อันนี้เป็นแค่นําเสนอไปแล้วท่านจะรับรู้รับทราบอย่ไปวิบากไม่วบัตมันเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับผมอะไรก็ไม่ก็ชัดเจนแบบนั้นมันเปนแบบนั้นแล้วประเด็นเป็นอย่างเป็นใหญ่อะไรเป็นแค่เรามีประสบการณ์แบบนี้มันนวดน้ําำใหญ่ๆก็ไปช่วยเพิ่มด้วยเช่นกันรู้สองน้อรู้หนึ่งอะไรว่าอะไปแล้วเราวาดเป็นจริงของอาจารย์มาใช้กันถ้าคุยอย่างเงี้ยรู้เลืองแต่ถ้าคุยเอาอารมณ์ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างเหรอเราจะรู้เรื่องไหมน หอคนเสนไอ้คนไอ้คนว่าไอ้คนไปวดรู้อย่างไรอะไยมันจะรู้มั้ยเนี่ยเราเนี่ยไอ้คนเก่งก็หมอไอ้คนเก่งก็ู้รด้วยก่อนผู้ดูอย่างเดียวเลยรู้๋ีวเป็นยังไงไอ้สุความมันล้มเหลวทำไมหรือว่าคต้แทงหรอว่ก็เทืบซ้ำออางเงี้ยนั่นรียว่าปุถุชนไอ้เราเป็นนักศึกษาปุถุชนปัญญาชนไเป็นทุกปล่อยวางเลเพราะนั้นทุกข์ถังเราก็ต้องมาเอาเป็นาทุกข์นันอันิีจัน ก็ต้องไม่อยากมนเป็นความทุกข์อนัตตามันมีอะไรที่ย่นอย่างห่อนัตตา้ให้สุขความเป็เจตตนเดวาหลุงพ้อเทียนะดูเองนะก็มีเห็นดรวยงอไนีะอ่นทุกข์เราอยู่กทุกข์ขังเนี่ยเนี่ยทุกมันขังเนี่เนี่ยร่างกายเราเนี่ยเี่ยกเนี่ยหรือจำลองทุกข์มาดูการเคลื่อนไหวคือทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถึงการทำให้ชาติของกายต้องเคลื่อนไหวทำใหชาติของจิตเนี่ยต้องหยุดรู้จิตเนี่ยต้องนิ่ง ใช่ไกระทุ้้วนิ่งเอออะไรละผ่านนิ่งรู้เขงรูเราแล้วผ่านลบรอยก้างจะนั่งประมาณเนี้ย น, นั่นใจต้องนิ่งรุนใหญ่ใจต้องนิ่งอย่างเดียวเลยไม่นิ่งเลยอว่าไม่ใชผู้ใหญ่แล้วเป็นหลักถูกมเพราะนั้นอนธิจรรมันซือมันทนอยู่ไมไ่ได้ใครอยู่นนนานได้อะขิวไม่กินอะเป็นไได้อะ แต่ตอนนี้ไม่กินหิวบอกเลยว่าหิวแต่ก็ต้องทนเพรามันอยู่ในรูปแบบของการเปพักใจเยาว์แบกนี้ทนนะผมเนี่ยหิววันที่สี่ที่ห้าแล้วองหิวจนอยากกินข้าเลยพอปลาสัรก็เอาทันทีหิวยิงทางานในตัวสั่เลยนะหิวในตัวสัตวมันสัตวนี่นงมันหิวเพราะะนั้นร่างกายเป็นรางของโรคยังไงก็ต้องป่วยยังไงก็ต้องแก่ต้องแก่ตายเอาไม่อยู่หรอกนะ ผลมาได้แค่ไหนก็ตายที่สุดรอบของชีวิตเราเรตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่กับร่างกายไม่มีใครหรอกไม่ทุกหลายคนเราใช้ไม่ทุกอะไรไั้นเราไม่ไหวโอโหเรยรู้น้อยไปความทุกของเจ้าเราทุกข์อยู่ที่ไหนถ้าทุกข์เวลานั่งเดินยืนนอนอย่างเงี้ยไม่ทุกข์มาบังนวดรู้แต่ทุกข์บังนวดรู้อย่างเงี้ยหายใจเังนวดรู้หายใจเข้าหายใจออกแสดงความเป็นทุกข์เข้าไม่ออกออกไม่เข้ามัก็ตาย เราแบบรอ่นี่คือธรรมชาติของร่างกายเลยวิ่งเหนื่อยแล้วรธรรมดาทํางานเหนื่อยแค่ทำงาคนทํางานเหนื่อยโอ๊ยไม่ไหวแย่ขี้เกียจขี้คานเลยเรียนหนักหน่อยทํางานหนักหน่อยโอ้ยแย่แย่แย่แย่เอาเรื่องธรรมดาทุกก่อนเดี๋ยวสบายที่หลังสบายก่อนไม่ว่ามจะทุกข์ทีหลังมัเป็นแบบนั้นนั้นปึกไปก่อนจุกไปก่อนเจอโอ้ยแต่ละคนแต่คนเนี่ยคุยได้ทุกเรื่อเราคุยเรื่องปฏิบัติเนี่ยขอลากลับละก คุยอะไรกันนะแต่พอนเนี่ยเคยปฏิบัติได้ยังงหรือเคยรู้ๆๆกกแอบรู้กับโทรศัพทเอ๋มีอย่างเงี้ยตลอดแต่มันไม่รู้ทุกสนทนามันทันไปแล้วไปทุกพ่อการแก่ๆๆการเจ็บการตายทุเรศทุายผัวเลิกธุรกิจล้มทัดลายแล้วแต่ครับว่าเป็นนิมิตหมายว่าเป็นในด้านแต่อของคัดติดให้คิดชี้ให้ทางมาเรื่้ไม่ทางมาไม่ว่าเลยแต่เราไม่มปก ป, ปอ้องนะถ้าปกป้องเขาองไปทุกข์เพิน รั่ยวเพ่งไปตามสติปัญญาของตนของตอนไปจะมีวัยตายเกิดเป็นพระตัดเป็นสงสารสรรสารวัตอะไรก็แ้วแต่เราจีวของเราเขามีสิทธิประมาณนี้เนาะดนั้นอันนี้จังมันทนไม่ไหวเอเลยแล้วจะทนได้ยังนั่งานานได้ยังของีาหายใจเ น, นเป็นทุกข์ที่เป็นสามัม น, นรัศละเสมอกันอคันตุกัดทุกข์กมาเป็นขั้นเป็นคราว น, นานมาเรียนน เป็นแขกมาเยี่ยมบางทางบางทางนิสนารนทุกข์ทุกเนินนิดแต่ไอ้ที่เรียกว่าคิดและเป็นพุก์และทุกอริยสัจสิเรื่ยงั้นปฏิบัติให้เห็นทุกในใจของเราไดแลยและความคิดคือตัวอนัตตามันไม่ใช่ตัวตวนไปคิดออกมาเนมีมันมันมีแภาพอยู่ในมาแลาหามาแ้หายมันม่มีตัวไม่มีตน มันเป็นนามรูปมาที่ที่แล้วจาได้อยู่พูดถึงว่าที่สุดก็คือรับไม่เหลือเชื่อของนามรูปนต่ความหมายท่านที่พานี่อยู่นั้นรับไม่เหลือเชื่อานามรูปมันดับเจอแล้วไม่เหลือเชื่อทำเงินไดธรรมดาธรรมชาติไปแต่ว่าเป็นฝันธรรมชาติที่เราไม่ได้เจต น, นานจะทาที่ทําถูกอะ็นเรื่องหตุปัจจัยพาครับเหตุปัจจัยภาคิดเหตุปัจจัยพาพูกเหตุปัจจัยพาทำ เม่าเกดที่สภา พ, าาพานะมี่สุขภาพาทางจิตวิญญาณขอใครของเราน่นอย ใ, ใครของควอบครัเราชีวิตสมทุอยางนั่นยังนี่ยังโน่นโตเสียเวลาไอเป็นสี่สุภาพาแต่ว่าพยายามทาอะไรยากเปล่นตัวเองเปลี่ยนผู้อื่นอย่านี้เป็นต้นจะเปียนยังอยู่ที่นี่นะไม่เคยรู้ว่ามีญาตาิในะกูลเดียวกันอยู่ที่นี่ไปด้วยกันไม่เคย พอเวลาเขามาที่นี่เราอยู่คนไทยก็คืออยู่คนไทยกเกี่ยวข้องคนไทยแต่มาที่นี่โทตศัพคนไทยก็ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับทางไกอกัเลขานส่วนตัวที่จะเปนคนสื่อต่อไปก็แล้วกผูใ้ใดรู้กันสามสี่คนทีนี้พอพอรู้ข่าวก็เริ่มติดต่อเราเริ่มอ e ีเบอร์ครับได้เบอร์เข้าไหมคนไปคนมาเจอร์ ไปโทรไปทกกันในเรื่องของอยู่ลวพี่อยู่ที่นี่นะก็าปน้อลวพี่อยู่ที่พอทักไปทักไปทักไปไปเจอญาตินคนปฏิบัติอาจารย์พูดแทแล้วไปวัดใหญ่ว่าอย่างนี้ถว่ากระจอกไม่มาก็ขี้อย่างนั้นก็กปชวยไปไปวัดใหญ่วัดใหญ่ว่าที่เป็ น, ว, น, น, นวยรักกันล้านอะไรงี้ก็ชวนไปวัดนเอวาจะต้อไปฏิบัตอาจารย์พูดท้เาบอกเวลาพูดหายใจว <c oughs> ิวิววิเป็นอะไร กเขาใส่หลอดท่อตอนโควิดอู้หันเจอเลยติดครับไปฉีดวัคซีนตอนนี้ฉีดไปห้าเข็มแล้วติดครั้งที่สองหนึ่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วได้สุขภาพดแล้วใส่ท่อตอนนี้ออกมาคือรอควานตทยเดวึ้คืองบินไม่ตายการบินเหมือนไทยเนีน่ยหมดจิตกลับแล้วแล้วก็เลยว่าเฮ้ยมันอยู่ทำไไกลหรอผมอยู่นี่ลาสเวกัส แล้วว่ามีข้อมูลใหม่อะไรเมื่ออยู่ที่นี่ก็ต้องหาข้อมูลใหม่เนีน่ถ้าจะย้ายไปที่นี่ก็ต้องมีทิศฐานในอเมริกาของตัวเองนะไม่เกี่ยวกับไทยเดี๋ยวของตัวเองก็ประชุมปอกกันเอ๊ะนัดเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้บอกบริสุทธ์กันน้องตาเวลาฉันค่าอ่นี้นะเมื่อกี้นั่งให้รูนี่ น, นนะลูกไอ้น้องสาวคนคนนี้นลูกใครอย่างนี้นี่สามีเขาคนนี้ถ้าจะนัดเจอบ้านวิชัยแต่ก็อยู่ตรงที่นี่ก็มีหมดมีแมพนะ วันหมองถักเข้ามาเาบอกไ ด, อ ไ, อ ไ, ดอได้ข่าวว่าโอ้ยทาไมหมอได้ข่าวหรือยังได้ข่าวว่าจะไปรัสเซีกโอ้มันไวนะเรื่องนี้มีส่รับยานดนเพลงบอกมาจะเลยบอกว่าไม่ได้ตัดสินใจไปเลยแค่แจ้งข่าวเยแจ้งข่าวให้รู้ให้ทราบว่าวมีแนวคิดอยงนก่อนจะกลับเมืองไทยไปรัเซียกันแล้วมีวัดไทยในรัสเดี ย, ดยกันอยู่นะ ที่เป็นเรื่องแมวหรือทุเรียนเนี่เลยเพราะเนี้เราเรื่องสมมติว่าอยากที่เกี่ยวข้างในเกี่ยวข้องทางอ้สันขานวิธีคิดจะเกิดว่าที่นั่นทีนี้จิตนั้นวิธีการเผยแผ่แล้วมันเกิดในจิตของเราเลยเรียกว่าปัญญาที่สัารนั้อย่างไรก็ดที่เกิดตรง น, นี้เป็นปุญญาคิดเป็นบุญในการได้หลักการประเพณีตั้แต่ออกพรรส า, าจนถึงลอยระทงหรืออะไรนั่นนะจะเป็น วันชดจำที่ให้ละบอยก็ส่งที่อยู่กันโนไม่ทะเลาะหนึ่งเดือนสเดือนเตครบทยมากไม่มีใครเรียกว่าทะเลาะบอแมงแล้วไม่ไม่ยอมสักคนเดียวสันท้านยอมทุกลูกเลยพาลูกที่สมควรแล้วครับผมสาธุสาธุการติเสียงสาธุการไม่มีใครขัดแยะครอบนี่เราผู้ประโลงประจิตกันต่อไปเป็นประเนนี เรือ่อสังขารนั้เชิ่มพาสังขารแบบพายเริ่อโยกัสังขารแบบโยอยู่ในโลกกับสังขารแบบโลกเยอะแยะขีดเส้นแ่งงั้นแผนที่เป็นรันั้นมีนุดในอเมริกาเป็นประเทศนันดีนุดเอเชียยุโรปเลยว่าอเมริกาเปิดจีนเป็นสาระบัดก็คุยแนวคิดกันใครได้เปรียบเสียเปียบใครมีอาวุธเยอะอาวุธน้อยว่าเนี่ยแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้โดยที่เรต้องทุกาไง โดยปกติจะอกให้รู้สมมติบางอยากแจ้งโลกคือเรานิ่งๆเนี่ยเป็นภาวะผู้ดูอย่าเอาลมเด็กเด็กก็ไปตัดสินนี่ยเราเป็นปล่อยผู้ดูลูกสมมติกางอย่างเนมันจะเห็นตลอดเวลามีสมาธิใส่ลงไปในเรื่องอะไรเ่ยดูไปตั้งข้างเดี๋ยวแตกฉันดูอะไร ก, การยกายในวิชาการหรืออะไรแต่อยากให้รู้แจ้งเห็นจริงว่ามีการยอมรับโดยบบสถาบันคุณก็สมัครเรียนหรือเปล่าไป คอร์สออนไลน์ก็มีคอร์สที่จะต้องไปเรียนในสถานที่นั้นๆโดยตรงก็มีก็สมัครเรียนชุดในแบบนั้นแหละว่าสมุติแตกต่างทั่วโลกสถา 1, 2, 3, 4, 5, บันหนึ่งสองสามสี่ห้าจะรักในไ า, า่ไกลจะรักทับไปทับเพนเลยว่านในโลกนี้เอาวัดอะไรพวนี้ก็แล้วแต่ได้ข่าวว่าถ้าหมอดีที่สุดเรื่องของพิธแพทยก็นี้ที่เฉลทับไฟ ไอ้ถ้าเป็นโรคไตเมยโยเนี่ยมานแบบพื้นต้นเหมนี่ยไม่ต้อสถาบันการศึกษาเมืองไทย่านไหนอันับหนึ่งก็ฝาารูปร้านไปเรียนกันในชกตัวจุบตัวจบเกียนิยมบ่านโดยกระถีบจบบ่านทำโคงกงกานก็สอบไม่ผ่านทําแล้วทําอินทร์ครูเออดีๆทให้ผ่า น, นออให้ผ่านแคจบช้าแล้วก็เลยสฐฐารพัดนะดังนั้นปฏิบัติเนีน่ไม่ทํำให้เราโม่แล้วกว่า ภาษาตรงไปตรงม า, าการไทยาพูดโม่กูก็ครูมึงก็เหมืชัดเจนมันมีอะไรอละจิตบริสุทธิ์ะแต่ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เนี่ยเนี่ยเอเจอกระปอบกับเจอกระปอบกับมันจะเป็นลักษณะของการรองภูมงกันปรุงปรีดิปรุงรองวิชาการวิชาเพลิร์นเลยว่าแต่เราจะต้องรักษาใจเราแบบเราเรียกว่ามีทุกใจไปทุกมีเรียกว่าความไม่ใช่ตัวตนอนิจจังเรารู้เท่ารู้ทัน และทายสุดก็คือไอความคิดของเราสมกัประหยาตัวใ น, ในตัวเราด้วยนะในตัวคนอื่นก็แต่คนอื่นเขาไม่รู้เราเรา้เป็นเถียแต่เดี๋ยวก็จะพุกเราระังใจตัวเราห อ, อมนะตามนั่นนะในคิดไปพระนที่ดีรู้ทั้งหมของพ่อพิคมตามน้ำเปล่งขนาดตามน้นาําให้คนอยู่ร่วมกันใจไปใจใน ใ, นใจรู้เองกลับไปไปอยู่นี้มันดีกว่า มีหลวอข้อดีน้องเลยกันไห่เรื่องหลวอพ่อดีนใครเคยฟังบ้างไหมเนี่ยยกมือถ้าผมจะรรลุธรรมนั้นหลวอข้อดีน้องเนีใครไม่เคยฟังยกมือตอนหลังได้เป็นพระครูชานิราวัตน์สารทุกขธรรมมีภัยสัง์ คือหลวพอดีแล้วเนะี่ยลูกเสียลูกหาชงกาแฟมาให้ใส่น้ำตาลทุกวันใส่กระเดือใส่น้ำตาลทกวนนนะกนกนันอยู่มาวันนึงเนี่ยไอ้เกลือกันตาคล้ายกันไม่หยุดทีเขาขาวแล้วเหมือนกันถ้าไม่ค่อยมีไปแยกกันไออกวันนั้นนะ่ะใส่เกลือเข้าไป หลงใสเกลือเอาไปชงแล้วก็เอามากินก็โรยแล้วก็เค็มมันพอดีเนาะลูกสิกินก็เค็มกนะ็กินเหลือเอาไปกินเท่าเค็มปี๋มัวก็กินไม่ได้ไงล้วก็อบอกดีเนาะ ใครก็ว่าอะไรดีนะพูดผิดดีดนะมนะีแต่ดีตลอดมาวันนั้นกินเกลือบอกว่าดีนะรูกศิษย์ไปกินพ่นทิ้งเลยเค็มขนาด น, นั้นอันนี้เรื่องเราเนะ่ะจะมาพูดพ่อหลวงพอพู ด, ดีนะรู้สิษถามว่ามันมดียังไงล้วก็เออพ่เป็นประสบการณ์ที่ดีทุกวันเราก็กินใส่น้ำตาลมันก็หวานดี เดี๋ยวไปตกการไปกิน น, น้ำหวานวันนี้ไปกินแล้วมันแค็มกอเอาเกลือใส่กข้าแรราปรสชาตนะิ เ, เ่มืนกันแล้วไปตกการเพื่อดีได้ประสบการ์ารชีวิตเีคก็เคยเห็นคนพูดแล้วสัตว์เนี้ยมาเขามีหลวงพ่อเขียนใก่อนเปลาใครจะทำอะไรโอ้ดีดีดีดีสารทกเนี่ยหลวพ่อผมจะทำนั่นะโอ้ดีดีดีดีสารทุเพือเือเอาเงินให้ายลาหิ้งฟงสุกับตัวเอาเงินให้มื หลังจากกินข้าวเสร็จตอนเช้าอะไรกงน้หลวงพ่อวันนี้ผมมีความสุขนเกลียดอรมณ์แคแล้วก็มีนิวิธหมาในราหินโค้งที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยพอบอกหลวพ่อชานั้นพ่อไม่ไปเจ็ดเพื่อนไม่พูดอะไรด้วยนเอาเงินมานับให้เมื่นให้เรากลับคิดได้โอ้แล้วทันทีทันใดทันควันเลยเป็นปัจจุบันขนาดแท้ๆเลยวันนั้นก็เป็นปัจจุบันขนั้นมาให้งนมาแล้วบอกชาว่าแจกจ่ายเลภายภายเอาหยิหมกัน คราะพันคนล ะ, นะนัคนะคนะเอาหินมาที่ไดทํโราณหินโค้งด้วยคือหินที่เอาเาินให้ชาวบ้นเราจะม้าเอาหินทำทองไว้หัวไหลไปนะาเวลาไถนาะเจอหินห้เก็บกองๆกังใล่ไหมเอามาถายให้กับวัดจริงๆก็ไม่ได้ขายแ้่เราให้เป็นน้าใจใเฉ้เสียแกเป่เราไม่ได้ใช้หรอกเอาเงนไปเติมน้ำมันให้การน้ามันเราลดของวัตถุเอาไปทุบอิก มันก็อยู่การนิจจังทุกข์ขันนันตาอยู่กับทุกตาเอ๋ทุกขตานิจจตามันันตะมันก็อยู่กัเรื่องโพลีไว้เวลาปฏิบัติชิ้นจะเรียกง่ายก็อยู่ไหนก็อยู่ละทิดงปันทิงช่องมนกระดับอยากหลวงตาเกศจะดีนะทิ้งวัดแล้วมาดูที่โพร่าให้หลวงตาเกศในสารทุกให้หลวงตาเกศเด็ดทุกคนสารทุกข์ยังไงสารทุก ผู้ศราไปใช้ที่โรอระเลกก็ปอกมารเยองไปใช้ที่รยองไงมันเกิดคุณค่าอะไรด้วยเลยไปติดวัดมาขเจ้าอาไปติดวัดยังไอยู่ที่นั่นได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ชิมอากาศระยองมากควันปิรยองมากได้โอโซนรนดับเจ็ดของโลกที่โอรกมากเห็นภาพงามมากเลยทำวัดสวดมนั่นก็น้าโมนาสาทุนอนเดี๋ยวเราปฏิบัติร่วมกัน อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถึงสองทุ่มนะ้วก่อนจากนาทีเนี่ยเราค่อยมาจดใรมีคำถามไม่คำถามอันช่วงที่เวลาเข้ามารอสุดท้ายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปประทานร่กันในรูปแบบนองรูปแบบจะนั่งสร้างย่ห้และเป็นนิคมการวิยาศายแล้วกันเนะนาะมราราษาทุกข้ อ, อที่ยังเหนียวแน่นงอยู่วันนี้ก็มาเยอะอยู่คอร์สออนไลน์ ไม่ก e, ิเวลาเรื่องไปเรื่องไฟป่าปโยชน์ไปสรุปนิดนีงอะไรตั้งแต่ผู้ใหม่เห็นผู้ใหม่อยู่ในจอมีผู้ใหม่ก็คือการที่เราเคลื่อนมือเพื่อให้มันเห็นทุกให้รู้เลยในการเคลื่อนไหวของกายมันเป็นทุกจิตก็เาที่เคลื่อนไหวเหมือนกันมันคือทุกตัวสังขารอุปทานขันทั้งห้ามันเป็นตัวทุกเวลาเข้าไปเรียว่างในเรื่องของการเคลื่อนไหวรู้สึก ไม่ทำให้เห็นทุกข์แล้วเสร็จแล้วมันจะเห็นเหตุเลยนะเห็นเหตุถ้าเราทำทุกข์กายไปถึงใจมันก็ได้อยู่ถ้ามีสติพอนะมันได้เลยมันแยกให้เราเลยทําให้มันถึงขั้นที่มันแยกได้เวทนาปัวอยู่แต่ไม่ทุกข์เออพอเข้าไปจะปรับเปลี่ยนพอใครแก้ไขปัญหาเมื่อไรแต่ต้องให้สติมันใส่ให้สติมันกำกัดหมายใจว่าเราทนไม่ไหวแย่แย่แย่แล้ว่ะ ความเจ็บปวดเวทานาแห่เราอันนั้นไม่เอาเลยจะเป็นมาต ร, รฐานแล้วนะเราเอาความเป็นทุกข์หรือไปวามไม่ทุกข์มันจะแยกยนะกันนทุกข์ไม่ทุกข์ใจเลยแล้วโดยเฉพาะไอ้ใจที่มีสติก้ำกับดี่ยน่ะไม่ใช่ใจที่มันมีนิสัยเดิมๆเนคนอดแคร์ขี้แพ้เอกาบางลูกรูกคุณโสดเลยมันคนล้เรื่องกันเลยเปิดทั้นลูกคุณโสดเป็นความเข้มแข็งด้วย จนนอนกลารดินก ah. Th like so ินการใจอยู่กับธรรมชาติแล้วรู้สึกเออดีดีดีดีดีทีนี้ไอ้ระดับของไอ้ความรู้สึกตัวใหม่ๆมันจะเป็นระดับของสมรรถกรรมฐานคือมันจมงเข้าไปในความรู้สึกแต่ตอนหลังมัจะชินขึ้นจรนชินเป็นถอยถอยถอยออกาจนแ้นั่เป็นภาวะผู้ดูใหม่ๆมันอยู่แล้วมันก็ค่อยรู้รู้สึกตัวแล้วมัออกมาดูเป็นภาวะผู้ดู ไอ้ตัวนี้แนหะที่เราต้องทำให้ปิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันโดาว่าถ้าสมรูตื่นเติร์นตอนไหนไม่รู้แล้วก็เนื่องรูปแบบก็ต้องทำใจเพราะว่ามันจะเติร์นบานที่ตอนร้างเท้านะปายาด่อนล้างเ้าบ่ายอยู่ดีร้างเท้ากินเติร์นเติร์นขึ้นมนเป็นอะไรสติชาการมีอนาคามีาามแลอาา้อัลลันณะสามวงที่แรกตัวเองได้ยนินใช่ไห้องหญิงเธอจงมีสติมาแต่ต้องหญิงเธอจงมีสติมาเจอ วิปรายอยู่ดีๆกลับมาบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันวันแรกได้ยินประโยคนั้นมาถึงเวลาเนาะเคยมีสติสามัญแย้สติสมฤดีดีมาบ่อยแต่ตอนที่ลูกตายอสติมันเพี้ยนไปมันกลายเป็นวะ่ารักรูก่าจนเสียผู้เสียคนเขาเรียกว่านางหญิงบ้าผลาญเวลาพอ่พอตายใครตายน้องตายตายังหมดไลยพอแม่พี่น้องเราตัวถึงขั้นที่ไม่มีที่พึ่งนะบา้า ไปเจอที่มตักนามมาทาเนารูปแบบมานี่ก็เรายกมือไปตัวไปในรูปแบบนั่งดูเราหายใจเข้ารู้ออกร่วู้ไปในรูปแบบแต่เป็นเรื่องของอนาาลาติแต่เราเป็นความแยกออกราคอันนี้สรุปให้ผู้ใหม่แล้วการพลิกมือรู้สึกตัวยกมารู้ึกตัวกันมาวันแตะสัมผัสรู้สึกตัวพลิกตั้งรู้สึกตัวยกมารู้สึกตัวทับหลังกือขวาด้วยการซักซ้อมโดยการฝึกให้ทํางาน ปกติทำงานมันก็มีความรู้ตัวแต่เราไม่ชำนาญเพาต้องคิดไเรือ่อทำ่านิดหนึ่ง 2, อ4ามสแต่นี้เราไม่ต้องมานั่ำใช้ความคิดอะไรมันเป็นความรู้ตัวเกียวๆ เ, เป็นความรู้ตัวร้อยเปอร็จอย่างง้นแต่ใหม่ๆจะเป็นลัหนณะของอะไรละ่ะสมปรากรรมฐานคือจมแช่ลงไปไม่ใช่บอกให้ทุกคนแต่พอหลังจากเป็นวิปัสสนากรรมฐานนจะรู้สึกอิสระธรรมระเบิระบายคลาย ทำเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะมีขึ้นเนี่ยนาอยเงี้ยน่งเล่นเลยดเลยแล้วก็เกี่ยวกับความประพฤติไม่เหรอยาเกิดนอกรูปแบบไม่ชัดเจนเมืนเจอตัวเาอยู่ที่ไหนมันกาเกิดความสึกได้เด่นอย่างเง้ยไหมเหมือนเจอเกิดความมันมาทันทีเกิดความมันเกิดขึ้นทันทีหลงเกิดแล้วไปไหไม่ใช่ไปมีวัตถีเราต้องยืดึเข้าสิ่งไว้เราเรียรู้สิ่งไวเราเราไปเกิดกลัวอี่าทํางานนี้ไม่เห็นมันสกปรกเป็นไปไม่ได้ ทำไมเกิดกลัวมันอย่างเช่นไปทำชักโครกมันเกี่ยวข้อกับขี้ใช่ไหเพอมันทาเสร็จบือมันคันนะไม่ใช่ที่ผมและธรรมาเน่นอนต้องมขี้หรอกพ่ออ่ขี้ปักเพลงะงพอมันมันอยู่พนันมาทันที้เราไปทำก็ต้องยอามเกิดกลัวแต่ว่ายืดกลยม่ได้ทำงานอยู่สิ่งสกปรกไว่ายืดใจก็ปกตินิ่งที่สุดแล้วไอ้จิตสูงมันหมอแรงจำต่างแค่ในงานที่วุ่วุเขาไม่ทานะแต่เราไม่ได้ทำเพราะถูคนค้าเขาขี้ม พรมีวิจิกินมันไใช่นแยกตรงนี้แีกย่มันทำให้อวัยวใจเราเราเห็นใจเราเองมันไม่ไหวยี้ตกที่ต่ำใจแล้วไม่ต่คือที่สูงเราก็ปกติได้ไม่หลงเหลืองเข้าไปประมั้นสรุปไอ้นั้นจิตปติรู้ซื่อรู้ใจใจร่วงาจยิ่ไม่ต้องพูดอะไรมามไล่สั่งะแค่ตรงนี้มันก็เป็นน้าษณะของคำพูดเหตุผลที่มันเต็มเหี่ยงอ่ะที่เราไปพูดอีกวามันมีเงแ้ยนแฉอะไรแบน้นอแ่ก่น้ของ ทำน้อยๆแต่ได้เอประโยชนเ์เยอะๆรู้สึกตัวในรูปแบบพอกิตมันตื่นแล้โอ้มันไหลมันเกิดเรีวยกว่าความอศัศจรรย์ใจมันไม่เห็นนะไายคนคงได้สัมผัสถ้าไม่ได้สัมผัสคงไม่อยู่เรีวยว่ายาวานานท่านต่อหน้าและเราอปฏิบัติอยู่ถึงขนาดนีนนดววเนะก่อนที่จะเลิกก็สาธุให้กับวัด น, นี้ถ้าไม่มีคนคนนี้มาดนี้ก็อยู่ไม่ได้แนละ้ว เห็นใครๆก็พูดว่ามีความอดทนมีความยั่งยืนสมรรถตัวสมรรนกายแล้วก็เขาว่าอะไรบร้างนะทำให้หลายคนนยอมหมอคนนี้นะชี้นะหมอคนะนเนะียนนที่นั่งอยู่นียเห็นไหมในจอเห็นไหมจูลเล่อนนี่เป็นจูลเล่นครับมาจอนี่ จูเลื่อนเอาภาพนี้ขึ้นให้เห็นหมอวงตัดจูเออสาธุไปก่อนนิดนึงวันนี้อยู่ไหนหมอวันนี้สาธุนะ เดี๋ยวตอนสิบนาทีสุดท้ายเราตั้งรับขาวไว้จะให้หมอท่านเนี้ยมานั่งตรงเนี้แล้วก็ตอบโยมสักประมาณห้านาทีและวห้านาทีสุดท้ายให้ทางพวกเราแผ่นไม่ตายเพราะท่านสามารถทําอะไรได้หมดทั้งทางโรคก็ทําได้เรียบร้อยดีทางธรรมก็ทำได้แล้วก็สอนนเรื่องการจริยธรรประทานใด้ตามหมายไรยไรได้ข่าวนะแล้วนะแล้วก็มีตราหลัดมืองแพร่ที่สนใจอยู่ มีกลุ่มวนะ่าในในเซลล์ในร่างมีสายพันธุ์ที่ดีกันอยู่หรอในความรู้สึกตัวจะมองกงานได้ในเริการ์แล้วตอาใสานะ่ท่างโยมทั้งพระรวมกันนี่สาทุกทีมีสาทุกไปเอาความนี้คนเอื่นนะมาเป็นตัวเป็นตัวในตัวเรารเรกันความดีของเจ้าเป็นในตัวเราบูาาทียนหรือญาติโยมที่เขา้าใจมาใส่ในความรู้สึกตัวก่นปฏิบัติกันสัก เอ่อสี่ห้าทีถึงห้าิที